เรื่องพระสารีบุตรอาพาธร้อนในกาย278ครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณกรุงราชครึตามพระอัทยาใสาแล้วสเสด็จจาริกไปทางกรุงสาวัตถีสเสด็จจาริกไปโดยลำดับจนถึงกรุงสาวัตถีแล้วทราบว่า พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณนะพระเชตวันอารามของอนาถบินฑิกาเศรษฐีในกรุงสาวัตถินั้นสมัยนั้นท่านพระสารีบุตรอาพาธร้อนในกายครั้งนั้นท่านพระมหาโมคคลานะเข้าไปหาท่านพระสารีบุตรถึงที่อยู่แล้วได้กล่าวกับท่านพระสารีบุตรดังนี้ว่า ท่านพระสารีบุตรเมื่อก่อนท่านอาพาธร้อนในกายกลับมีความสําราญด้วยยาอะไรท่านพระสารีบุตรตอบว่าท่านผู้มีอายุผมมีความสําราญด้วยเง้าบัวและรากบัวลำดับนั้นท่านพระมหาโมกคลานะหายตัวจากพระเชตวัน มาปรากฏที่ฝั่งสะโบกขอรณีมันทากินีเร็วเหมือนคนมีกำลังเหยียดแขนออกหรือคู้แขนเข้าช้างตัวหนึ่งเห็นท่านพระมหาโมคคลานะมาแต่ไกลครั้นแล้วจึงได้กล่าวกับท่านพระมหาโมคคลานะดังนี้ว่านิมนต์พระกุญเจ้ามหาโมคคลานะมาเถิด พระกุลเจ้ามาดีต้องการอะไรจะถวายอะไรดีเล่าท่านพระโมคคลานะตอบว่าอาตมาต้องการเง้าบัวกับรากบัวช้างนั้นสั่งช้างอีกตัวหนึ่งว่าท่านจงถวายเง่าบัวกับรากบัวตามต้องการแด่พระกุณเจ้าช้างตัวนั้น ลงสะโบกขรณีมันทากินีใช้งวงถอนเง่าบัวและรากบัวล้างน้าจนสะอาดม้วนเป็นหอ่อแล้วเข้าไปหาท่านพระมหาโมคคลานะครั้งนั้นท่านพระมหาโมคคลานะหายตัวจากฝั่งสะโบกขรณีมันทากินีมาปรากฏตัวที่พระเชตวันวิหาร เหมือนคนมีกำลังเหยียดออกหรือคูแขนเข้าแม้ช้างเชือกนั้นก็หายจากฝั่งสะโบกขอรณีมันทากินีมาปรากฏตัวที่พระเชตวันวิหารประเคนเง่าบัวและรากบัวแก่ท่านพระมหาโมคคัลลานะแล้วหายตัวไปจากพระเชตวันมาปรากฏที่ฝั่งสะโบกขอรณีมันทากินี ต่อมาท่านพระมหาโมกขลานะน้อมเง่าบัวและรากบัวเข้าไปถวายท่านพระสารีบุตรเมื่อท่านพระสารีบุตรฉันเง่าบัวและรากบัวอาพาธร้อนในกายก็หายทันทีเง่าบัวและรากบัวยังเหลืออยู่เป็นจํานวนมากสมัยนั้นเกิดข้าวยากหมากแพงภิกษุทั้งหลาย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 ให้ภิกษุฉันแล้วห้ามพัตตาหารแล้วฉันโภชนาหารที่ไม่เป็นเดนที่เกิดในป่าที่เกิดในกอบัวได้